ผู้อยู่ใกล้พระนิพพานภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภายในความประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานคนที่ต้องเสื่อมนั้นส่วนมากหรือจะว่าทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ประมาทและไม่ได้เห็นภายในความประมาทหลงไหลมัวเมาพอใจในการปล่อยตนด้วยสําคัญว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหนึ่งในที่บางแห่งพระศาสนาทรงให้ข้อสังเกตไว้ว่าคนจะเสื่อมหรือจเจริญก็รู้ได้ง่าย คนใดชังทาคนนั้นต้องเสื่อมคนใดชอบทาคนนั้นเจริญตามพระพุทธภาษิตในปราภวสูตรทะกานิกายดังนี้สุวิชานุวังโหติสุวิชานุปราโวะธมะกามโมพวังโหติธมะเดชีปราโวแปลว่าคนจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้ชอบทาเป็นผู้เจริญผู้ชังทาเป็นผู้เสื่อม ผู้ไม่ประมาทนอกจากจะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมคือสมถาวิปัสนามักและผลแล้วยังเป็นผู้อยูุ่กล่พระนิพพานอีกด้วยดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระติสสะเถระพระติสสะเถระเป็นชาวนิคมหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถีเมื่อบวชแล้วเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดและมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายท่านเที่ยวบินทบาสเฉพาะในหมู่บ้านญาติของท่านเท่านั้นเมื่ อ, อนาถปิญิกเสฐีถวายมหาทานก็ดี เมื่อพระเจ้าประสเสนที่โกรธสนทรงบำเพ็ญอาสะทิสถานก็อยู่ก็ดีท่านก็มายอมมายัางเมืองสาวัตถีคงอยู่ของท่านทินิคมนั่นเองพิ่สูตรทั้งหลายไม่เข้าใจท่านจึงติดเตียนว่าพระติสระครุกครีอยู่กับโมู่าติของตนไม่ยอมไปแม้ในงานใหญ่ของอนาถะปิณธิกะและของพระเจ้าประสเสนที่โกรลดังนี้แล้วได้กราบทูลพระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้พระติสระเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเรื่องนั้น พระติสสะทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามอีกว่าทำไมจึงทําเช่นนั้นเพราะติสสะทูลว่าข้าแต่พระพะควาเจ้าข้าพระองค์กระทําดังนั้นไม่ใช่เพื่อคลุกคลีด้วยหมู่ญาติแต่ข้าพระองค์อาศัยหมู่ญาติเหล่านั้นได้อาหารพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ข้าพระองค์คิดว่าเมื่อได้อาหารเหลวกว็าตามประนีตก็าตามพอยังชีพไปเป็นไปได้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการไปแสวงหาอาหารที่อื่นอีกดังนี้จึงไม่ได้มา